ฟั <c oughs> งธรรมได้หันเสียงแต่ไม่จนใจนะ <c ười> มีอะไรเยอะแยะที่อยากจะพูดด้วยเอ่อเราต้องแสดงแ <c ười> สดงทางกายทางวาจาทางใจ ให้เป็นความดีออกมาจ า, า, ากก า, า, า, ายจากา่าจากใจวันนี้ก็ม า, าอยู่วัดนอนที่วัด <c oughs> จะแดงทางกายผ <c oughs> ้ากายออกมาแล้วแด้รับกายยบิเวกแล้ว <c oughs> จะแดงทางกายได้แล้ว <c oughs> วันหนึ่งคืนหนึ่งนี่ กายด้รับของมไเวกแล้วถูกต้องแล้วเรื่องกายทำถูกต้องแล้วต่อไปต้องเรื่องใจปีเวกออกมาเหมือนกายด้วยหรือว่าอยู่ในนี้ที่กายใจมาอยู่ในบ้านพิมันออกมาผู้มีลูกก็ชิดแบบคนมีลูกคนมีหลานก็ชิดแบบผู้มีหลาน คนมีสามีพันยาก็คิดแบบคนมีพันยาสามีก็มีบัวมีควายมีอะไรก็คิดแบบคนมีเึงนั้นคนจนก็คิดแบบคนจนคนรวยก็คิดแบบคนรวยก็มีความทุกข์ก็คิดแบบคนมีความทุกข์คนมีความสุขก็คิดแบบคนมีความสุขมีแต่ความคิดทั้งนั้นแล้จยงภาคบังกมาห้ามาจุกับกาย โดยอาศัยกรรมฐานให้ได้การรับความเวกช่วยให้ได้จิตใจได้รับความเวกช่วยจิตช่วยใจบ้างเมื่อมันแล่นไปกลับให้กลับมามาอยู่นี่มาคู่แขนเข้ามาเหยียวฉขนออกให้รู้สักตัวอยู่นี่ท่ว่าช่วยจิตอย่าให้มันไปรับ กำรับเวมกเกมรมากเกินไปให้มันคิดเลยมากเกินไปให้มันพักปอนได้รับวิเวกทางจิตวิญญาณสักหน่อยช่วยิดหน้าสงสารจิตคิดอะไรก็คิดทั้งนั้นมีจิตก็ใช่ให้คิดบางทีไม่ได้ใช้มันคิดมันคิดกันมาเอง สมส อ, อนไปนหมดวุ่นวายไปหมดงานของจิตวิญญาณหนักมากกลาคืนเป็นควันกวันเป็นเปลวกลางคืนก็ว่าฝันกลางมันก็ว่าคิดงานของจิตหนักจนที่สุดก็ไ่เห็นจิตเดิมแท้และได้จิตที่ปุงปุงต่งแต่งสุ ตั้งทุกข์ว่างพอใจไม่พอใจว่างไม่จิตปุงแต่งไม่ใช่จิตเดิมแท้จิตเดิมแท้ไหมมีอะไรบริสุทธิ์พระพุระเจา้าตรัสว่าปัปปะชานี่ตังพิกเวจิตตังตั้งข้ออาการทุกข์แคิอุปกิเลชิว่าไผ่ไห่ปัปปะชาปรลลีมันสมใจจิตของเรานี่ พัดสอนผองใสยอยู่เสมอแต่เดิมแต่อุปจิเลตบรญจรมาทําให้เกิดสมองมันเปื้เพื่อนทางความคิดถ้าหวานของเกศคือมันคิดมันเลยปเปื่อนร้อยพิจิเนตไปได้คิดอะไรมากใช่เลยมันมากก็เป็นไปนเรื่องดยนดีๆก็เป็นคนไม่ดีได้จึงภาคมันออกมาให้อยู่ ด้วยก่อนกายอยู่ไหนใหญ่จะดูที่นอนวัดหนึ่งเครื่องหนึ่งอุตส่าห์เอาหัดภาาออกมาโดยอาศัยกรรมฐานเป็นเครื่องมือเครื่องทุนแรงได้ช่วยหั ด, ดจิตใจเอากายเป็นที่ตั้งเป็นมีมีดเป็นที่เกาะไว้ เมื่อมันเล่อนไปก็เอาดิมิดนี่จับป่าดึงขึ้นมามาลู้ที่นี้ให้ความหลงเป็นความลู่เลยที่มันเกิดกับไกลกับปลายให้เป็นความลู้ทั้งหมดตัวลู้เท่าลู่ทันมันหลงข้างหนึ่งกับลู่ข้างหนึ่ง มันพอใจข้างใดก็ให้รู้ศึกตัวข้างนั้นแต่พ า, าคิดออกมาให้มารู้ให้มารู้บ้านของคิดคือปกติบ้านของจิตใจคือปกติถ้าใจมีบ้านมันก็ปลอดภยัยเมื่อ ก, กายมีบ้านกายก็ปลอดภยัยฝนตกก็ไม่เปียกแดดออกก็ไม่ร้อนลมพัดมาก็ไม่ถูก เป็นที่อาศัยของกายได้เมื่อกายมีบ้านก็หลายอย่างที่เกิดขึ้นไม่มีโรคภัยใขรเจ็บาใจนี่มีบ้านจ้ะบ้านของใจิตใจคือปกติถ้าอยู่ในความปกติให้ได้เรียกว่าสร้างบ้านให้ใจอยู่ความปกติของบ้านของใจนี่ถ้าอยู่ในความปกติ จะอยู่เหนือความแก่ความเก็บความตายได้แตนี่เราไม่มีบ้านเป็นคนนำพับเป็นคนพัดถิ่นอยู่เลยชีวิตพัดถิน่นก็ไม่มีบ้านคือใจไม่ปกติร่ำร่อลคงดีฟูฟูแปดแฝดมีใจก็เพิ่งใจไม่ได้ไม่อยากคิดมัก็คิดไม่ว่านใจตัวเองไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไร เม่ว่า <mister> ค <tumors> <c oughs> นเอาภาพทางจิต pues, วิญญาณจิตใจไม่บิบอลได้ยินบ่อยไม่เสียงว่นยฮะก็เป็นอย่างนี้ความจริงเป็นอย่างนี้แล้วมันหัดได้กายเขาเราก็ขัดได้อย่างที่เราสวดพระสูตรอาริยมรรคเบญตนั่น แลนวจิตทำได้ถ้าทำได้อย่างนี้ก็เกิดก็เกิดผลไล้ในชีวิตนี้ถ้าไม่หัดก็ไม่เกิดไม่เกิดผลเลยไกลไปเสีแล้วเราจังหัดมันให้มันมีที่พึ่งพึ่งได้พึ่งความดีที่หัดไว้เหมือนไหลที่หัดแล้วก็พึ่งมันใช่งานได้ ขนัดช้างก็ใช่ช้างได้ค้อนัดหมวก็ใช่บ้าได้คนถัดวัวขอนัดควายก็ใช่วัวใช่ควายได้แล้วถานเดมันเป็นสัตว์เออด่าไปดูพร้อมจรเยาชีสมุดปลอการนีเด็ดช้างตัวหนึ่งเขาเรียกชื่อว่าเด่นเวลา้องตาดึงเข้าไป เจ้าของชอบว่าเดินๆดินไอเดินนี่หลวงตามาเยี่ยมเราแล้วมานี่มานี้วิ ani, ani ่งว e e ่าวิ่งมาหาจะทำายถ้ารับหลวงตาไอเดินก uh, ็ยกขาสองขาขึ้นขาเอาถูกก็อกสองข้างสาธุูกข้างที่สามว่าถูกว่าอะไนี่ไอเดิน คอยกันไปบากันไปลุงตาไม่ยินมดอกตาหูหนักหัแดงๆกว่านี้กระปองอีกอู้อู้อู้ฮ่ายมันฝึกได้นะมันฝึกได้ไม่ว่าอะไรัวกัวฝึกใส่ค่าใจใส่บอกไปทางซ้ายก็ซ้ายบอกไปางขวาก็ขว บอกให้มันตรงไปตรงปอยตรงปปยก็ตรงไปตรงไปบอกให้หยุดก็หยุดบอกให้ไปก็ไปนี่สัตว์มันฝึกได้แล้วมันใช้งานได้คนเราเท่แท้ต้องฝึกตนสอนตนมีนางพิกจุนีตนหนึ่งอยู่เขาชิจักูดประเทศอินเดียในในทางทิศใต้ของเขาชิจกูดมีแม่น้ําไหลมา พิกษุณีอยู่บนเขาชี้กูดที่คันตะกุดีของพูะเจ้าต่ำลงไปใกล้ๆทำใกล้ๆทำใกล้ๆทำอะไรสุกรครับฮ ะ, ะสุกอนอะไตาเลทพิกษุณีตนนั้นเห็นควรช่างเอาช่างกราบน้ำบอกช่างลงไปเจ้าของก็นั่งอยู่บนฝั่ง ชักก็ลงไปบอกให้ชักพ่นทั้งหลังก็สูบหน้าไปหนมาสูดท้องลงเสกท้องลงเอาข้างซ้ายสูดซ้ายล่างข้างกวาซ้ายเกล่างท้องก็สูบมาท้องกูสูดล่างยืนอยู่มุนัตฝังสูบน้ามึงล่างเจ้าของเห็นว่าสะอาดลงไป ลองก็บอกมัูดลงตก็มูดลงอยู่โขึ้นมางูดอีกก็มูดลงไปขึ้นมาเจ้า้างก็บอกขึ้นมาขึ้นม า, ข, นมาขึ้นมาบอกให้ามา น, นวดมีต้นไม้ไหมนวดข้างข้ายข้างใ้อาชนวดร่งกัวเยงกัวใฉ่นวดท้องก็ท้องเอเยเอ็นเฉนวดหลังเอ็นหลังเฉยนว ด, อนอดโอ ทางพิจูดีเห็นโอ้ช่างเขายังฝึกได้เนาเราแท้ๆเป็นพิกษุดีทำไมฝึกไม่มได้มีความว่าเปลี่ยนโทษไม่โทษโดยกลายเป็นพระหลาดไเลยเอาช่างเป็นแบบอย่างเนี่ยคนเราแท้ๆอย่าปล่อยกายปล่อยใจกันไปรู้จักจุดจักเกินจักโกรยจกักวางบ้างว่าจะได้อาศัยมันพไปสวรรค์นิพพาน ถ้าไม่มีเดี๋ยวนี้ไม่มีอะไรที่จะเป็นมิถิเอเสยได้เลยว่าจิตใจเราอยู่ที่หนเพราะน่าจึงจำเป็นต้องหัดกันฝึกตนสอนตนมีวัดวารามมีพระสงฆ์มีแม่ชีมีพระธรรมคำสอนหมดเริ่มในใหญ่อัมวานี่ที่เริ่มใหอ่ ที่นี่หนังสือเยอะแยะขวัววัดใดๆทั้งสิ้นเยอะแยะเลยมีแต่หนังสือดีๆอาจารย์เป็นมีปัญญามากที่นี่นะเรามีช่างเกือกต้องเกิดในดงอย่างนี้ยอมเอ้ยงานบอก <laughs> อาจารย์ไปสอนเกิดได้ดงในป่าแต่เป็นช่างเกือกนะที่มีชื่อเสียงโด่งดังทั่วโลก จะได้ที่ไหนล่ะบ้านตดเดนทงวัดป่ามาวันให้ช่วยโอกาสกัดย่าร อ, อยางานเกินไปกัตือร้นบ้างออกจากวัดเราไปอยู่วันสุกตนสนตนนะอย่าปล่อยตัวเองทิ้งเกินไปจะหลวมบ้างระงับบ้างหยุดบ้างเกินบ้างภากกายบ้างกายวิเวก ภาคกิดลงมากิด เ, เ, เมื่อรับวิเวกเมื่อกายวิเวกกิดวิเวกสองอันก็ปฏิวิเวกเกิดขึ้นทหลายข่าศึ ก, กิเลตหมดไปกลายเป็นอิสระไม่เป็นอะไรกับอะไรเลยในโลกนี้เห็นหมดแล้วเห็นหมดแล้วจึงไม่เป็นอะไรกับอะไรจิตบริสุทธิ์พุทธพงเสมอ เนี่ยมันเพิกได้คนเราเนี่ยเป็นสัตว์ประเสริฐคือพกหัดแต่มหาดกขี้เหลกว่าสัตว์ขี้เหล็กกว่าไก่ไก่ยังมีปีกมีขนนอนกอนม้ดาวขนดวปลาไม่เคยจินยาแจ้ปวดเหมือนคนเรากาเาจึงเพหเป็นสัตว์ประเสริฐ <c oughs> อันนี้ เวลาเรามันไม่ทอ้อไม่รอคอยเราเกสิบเปีแล้วแต่ว่าเพิ่งขัดตั้งแต่ยสานสิปีจริงๆงเนี่ยมันก็ใต้ทุนขึ้นมาบ้างพอจะมีค่าบางคุ้มค่าน้ำน ม, มแม่บ้างพ่อเนี่ยเลี้ยงมาบ้างยกมือไห้ตัวเองได้บ้างบางอย่างนะ ยังไม่ทอดถอยยังฝึกอยู่มาอยู่นี่ฝึกสติกันได้มากเลยรู้แขนเขา้ารู้จึกเยอะจสิงอนหน้าให้ชี้อวดทำกติให้อันหน้ า, นนาประธางภูโจโ ก, โก้โอวิวดีทัางเกณฑกงวันฝึกหนักอยู่ฝึกตอนสอนตอนมันสนุกดีให้เปลี่ยนความบอกเป็นความรู้เนี่ยวู้้ยมันลึกซึ้งมากอยากให้มันทุก ให้เห็นจะได้เพี้ยนทุกข์ให้มันสมน้ำหน้ามันจะไม่ให้มันทุกข <laughs> ์นี่ไปโกรธไปทุกข์อ้ห่างกันไม่อายหน้าบูดหน้าเบื่งใส่กันตีไม่ดีไปโคชนามไม่รู้จากกูหรือเนี่ยกูที่โกรธแล้วมันเป็นผู้นี่ถ้ากูได้โกรธมั น, น <laughs> เหมือนคนนี้นะดีเลยโมยมวยไม่รู้จักลาแต่ก้องโกรธ สีโลกสีได้ด่ากันได้แค่ไอ้คนนะเพราะฉะนั้นนมันดีต้งหนความโกรธความทุกข์เนี่ยทไมถนอมมันเหลือเกินแต่กูได้โกรธตายไม่ลืมนะ <c oughs> ถนอมความกรธรัความโกรธ ล, ลืมลูกตืมผัวลืมพี่ลืมน้องทงตามความโกรธนะตามตามความรัก เล่นกองข้าวน้อยข้าแม่ทําตามความโกรธแม่ออเอาข้าวมาส่งกองแนน้อยนื่นว่ากินข้าวไม่อิ่มด่าแม่กดได้แม่แม่ว่ากินเถอะลูกยิ่มอยู่ยิง อ, อยู่หมบอกไม่มอิ่มไม่อิ่มสุดที่สุ ด, สดโกรธยอมรู้ลเลยอ้แอกน้อยไถแต่แม่ตายเลยพอกินข้าวข้าวก็ไม่หมดเลย ผมโกรธหายไปเสียใจเอ่แม่เคลืนก็ไม่ได้แล้วผงโกรทต้องไม่เสียแม่เสียทุกอย่างศูนย์เสียแม้ทั้งตัวเองกัมลักเช่นเดียวกันนางโมลาลักจโจรพลายทั้งทั้งโคตรจันทโครบเป็นคนดีจโจรมาป้นกลางทาง จันทกรบสู้จนได้ชัยชนะสมุนของโจรหลายคนเรือแต่หัวหน้าโจรสู้กับหัวหน้าโจรจันทกรบ น, นสู้ได้เอาหัวหน้าโจรล้มลงไปขอดาบกับเมียนางโกลาเมียเห็นโจรสวยกว่าจันทกรบสูงเขาชิดชอบโจรนันดีเลยยื่นดาบให้โจร จะได้แต่งงานกับโจรให้โจรฆ่าจัตวรรบสามีของตนซะในที่สุดโจรได้ด่าพดฆ่าจัตวรรพบตายโมราเสนอตัวเป็นนางเมียโจรโจรบอกว่าโอ๊ยไอ้ชาติชั่วหัวมึงก็ยังฆ่าหัวมึงไม่ได้หรอกให้มึงตายอยู่นี่เหรอนี่สุดนางโมราตายเป็นนางเช่นี้อยู่ว่าปูหลงล่องหรอวะกูกูกูกูอะไะ อันนี้นโทษของความรักโทษตรงความโกรเป็นทุกเป็นโทษทางด้นอย่าหลงอย่าหลงอย่าหลงนะให้มีสติดีๆถอ น, อ, ถ อ, น อ, อ, ออกมาถอนความพอใจออกมาถอนความไม่พอใจออกมาอย่าปล่อยให้ใจไปอยู่กับด้านของความพอใจไม่พอใจถอนอบางๆให้มีสติรู้สึกตัวเนี่ยประเด็นนี้นะวันหนึ่งเกนหนึ่งม่ใช่น้อยนะ โบราณทั้งหา ช, ชั่วช่างสวัสดหูชุ่งโอเดพบลินนะะวันนี้ก็หมดแดงแล้วนะสมควรเจริญราอน่องในวันกาพะที